อันทึกไปทึกแล้ ว, ถ, ลวถามว่าพระโพธิสัตว์ ต, ต้องเป็นนักบวชตลอดทุกภพทุกชาติใช่ไหมครับโพธิสัตว์โพโพธิสัตว์คือบุคคลผู้แสวงหาความรู้ โพธิแปลว่าความรู้สัตตะแปลว่าผู้ค้องผู้คล่องอ ย, อยู่ในความรู้เรียกว่าโพธิสัตว์คือยังต้องสแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดความรู้เมื่อความรู้บริบูรณ์แล้วจึงจะสามารถตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะในอนาคตาการข้างหน้าพระพุทธเจ้าเราเองก็ตามพระองค์จะมาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะได้พระองค์ก็ผ่านการความเป็นโพธิสัตว์คือการบําเพ็ญ การสร้างคุณงามความดีสร้างบา ร, รมีต่างๆนานา ม, มาในขณะที่สร้างแต่ละพบแต่ละชาติก็เกิดความขัดแยง้งกับสภาพความเป็นอยู่ในโลกเหมือนกันขัดแย้งกับคนในโลกขัดแย้งกับเรื่องราวต่างๆที่คนทั้งหลายเขาไม่พอใจนั่นคือการสร้างบา ร, รมีมันจะต้องสวนทางกับความรู้สึกของคนการสร้างบา ร, รมี ในนี้เขาถามว่าจะต้องเป็นพระภิกษุทุกชาติไหมไม่จำเป็นเพราะบางชาติก็ไม่มีพระพุทธศาสนาชาติที่ไม่มีผู้ทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระภิกษุได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นนักบวชได้หรือว่าบางชาติที่เขามีการบวชกันอยู่แต่การบวชบางอย่างที่ขัดกับการบำเพ็ญในแต่ละเรื่องก็จะไม่เป็นนักบวช เกิดจะเป็นชาวบ้านธรรมดาและบางชาติไปเกิดเป็นสัตว์ในภาวะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะบวชไดนะ้ความเป็นโพธิสัตว์ตอบว่าไม่ต้องเป็นนักบวชตลอดทุกภพทุกชาตนะิเป็นบางภพ บ, บางชาติเท่านั้น <c oughs> โดยเฉพาะชาติที่เป็นได้ขัมมะนั้นต้องบวชแน่นอนและชาติอื่นๆที่บวชก็มีบวช หลายภพหลายชาติอยู่เหมือนกันณนะความเป็นไปของโพธิสัตว์ยาวนานมากกว่าจะสําเร็จถามว่าทําไมทําไมเราชอบบูชาพระาธาตุหลวงปู่หลวงตาครับเพราะความเคารพการที่มีความเคารพในครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เรา เชื่อมั่นว่าองค์ท่านนั้นเป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมระดับสูงในพระศาสนานี้นะเมื่อท่านละสังขารไปธาตุขันธ์ที่เหลืออยู่ก็คือกระดูกอธิธาตุอย่างเงี้ยด้วยความเคารพในครูอาจารย์พวกเราก็เลยเก็บนะอธิธาตุนั้นขึ้นสู่การสักการะบูชากาบไหว้เพราะมีความเคารพ แล้วก็มีมาในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าบุคคลเหล่าใดผู้เข้าถึงคุณธรรมในศาสานานี้คือความเป็นพระอรหรันต์ชั้นสูงสุดเนี่ยบุคคลนั้นคือผู้ควรค่าแก่การสักการะรกราบไหว้บูชาของมหาชนทั้งหลายเมื่อละกายสังขาร น, นี้ดับขันรผลิภานไปแล้วกระดูกหรืออธิษฐานนี้ควรเก็บไว้ในสถูป ในทางสีแพ่งแต่ทุกวันนี้สร้างพระธาตุคูบาอาจารย์ไม่ได้สร้างอยู่ในทางสีแพ่งไปสร้างไม่ในที่ที่ที่ไม่มีไม่มีหนทางก็ยังมีต้องต้องทำทางไปต่างหาก็มีบางทีอยู่ในป่าในเขาแต่ก็ไม่เป็นไรทำทำในที่ไหนก็ตามนะก็พุโโอก็บอกว่าการสร้าง ที่บรรจุอัธิธาต์ของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์บุคคลผู้กราบไหว้สักการ ะ, ะจกได้บุญมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้ า, าจะาไม่ตกต่ําเลยนี่คือคุณค่าเพียงแค่กราบไหว้ก็มีสุขติในเบื้องหน้าเพราะความเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ง่ายๆต้องผ่านการฝึกฝนต้องผ่านการชําระจิตชําระกิเลสชําระ ความเห็นผิดชำมละทิฏฐิมานะชำมละรากเง่าของกิเลสทั้งปวงจนเข้าถึงความบริสุทธิ์บริสุทธินั้นบริสุทธิ์อยู่ที่ความเห็นผู้มีความเห็นที่บริสุทธิ์จึงเป็นผู้ควรค่าแก่การพ้นทุกข์หากความเห็นไม่บริสุทธิ์ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ความเห็นที่บริสุทธิ์คือเห็นพระนิพพานและความเห็นในพระนิพพานนี้เองเป็นเครื่องชัมะ ธาตุขันของท่านให้ควนค่าแก่การเคารพ บ, บูชานะความเพียรอันบริสุทธิ์นี้ mm. การสักการ บ, บูชาณลสักกาได้แต่การติดอยู่กับธาตุติดติดอยู่กับการยึดถือในอัธิธาติติดอยู่กับกา ร, ออาาอกการเอาบูชาพระธาตุไปเป็นของจำเพาะตนอันเนี้ยมีโทษเป็นไปเพื่อความหลงและงมงาย ไม่ถูกต้องพระาธาตุูบ า, าจารย์ควรจะเก็บไว้ในที่าสาธารณะหรือที่ที่บรรจุที่คนทั้งหลายสามารถมาจากทิศทั้งสี่แล้วไปกราบไหว้ได้เงี้ยควรจะอยู่ในสถูปทำบุญหวังผลกับทำบุญไม่หวังผลแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องนี้ว่าอะไรเรื่องนี้ตรัดไว้ในพระสูตรอยู่ แต่จำพระสูตรไม่ได้ว่าพระสูตรนั้นคือสูตรอะไรแต่ตัดเรื่องเนี้ว่าบุคคลผู้ทําบุญแล้วหวังผลปรารถนาให้ผลบังเกิดขึ้นกับตนการทําบุญแล้วหวังผลจัดเป็นการทําบุญแบบไงแบบไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากหรือจะจัดอยู่ในทําบุญแบบมิจฉาทิฐิมั่งดูท่านะถ้าจำไม่ผิดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า การทําบุญใดๆก็ตามอย่าหวังผลที่ได้กระทําลงไปหมายคําว่าหวังผลหมายคาดหวังเพื่อจะให้เกิดคล้ายๆกับว่าทําบุญเพื่อแลกเปลกแลลเปลี่ยนให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการและปาธนาเช่นมาทําบุญแล้วอธิษฐานบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าหมดหนี้หมดสินขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยขอให้ข้าพเจ้าพ้นพเคราะพน้นโศพ้นโลกพ้นภัย ทำบุญอย่างนี้และปาธนาอย่างนั้นอันเนี้เป็นการทําบุญปรารถนาด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิไม่ถูกต้องไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากถามว่าการทําบุญเมื่อปราถนาอย่างนั้นจะไม่อํานวยผลเลยเหรออานวยอยู่แต่จะอํานวยในเวลาที่เนิ่นช้ามากและเวลาอํานวยผลก็อํานวยผลไม่เต็มที่เพราะมีความคาดหวังผลนะ เมื่อมีการคาดหวังผลแล้วมันมันมีความอยากเข้าไปเจืออยู่ในนั้นผู้ที่เจ้าบอกว่าทําบุญเพื่อสละออกผลก็ต้องสละออกไม่ต้องการแม้กระทั่งผลโดยไม่คาดหวังในสิ่งใดๆทําแต่ให้ทําเพราะบุญเป็นสิ่งที่ควรกระทาให้ทําเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่นามาซึ่งประโยชน์ในภายหลังหรือแม้ทาก็เป็นประโยชน์แล้ว เช่นมาทําบุญทําถวายพระตาหารแก่พระภิกษุประโยชน์ที่จะได้ก็คือให้ภิกษุสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และสืบต่อศาสนาไปได้นั่นคือประโยชน์เกิดขึ้นแล้วแน่นอนแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับภิกษุนั้นดํารงอยู่ในสมณเพศถ้ามิมีใครมาให้อาหารก็อยู่ยากเหมือนกันนะพระและสามารถบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มบริบูรณ์ได้นั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผลจะเกิดกับเราเมื่อไหร่นั้นอย่าคาดหวังครูทีเจ้าบ่ายอย่างนั้นอย่าคาดหวัง เพราะมันจะไม่มีผลมากไ ม, ไม่มีอนิสงส์มากและการตอบสนองจะเนิ่นช้าแต่ทําบุญแล้วไม่คาดหวังนี่จะตอบสนองเร็วแล้วก็ได้ผลมากได้อนิสงส์มากแล้วแล้วเรื่องการอุทิศบุญเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะให้ยากที่เราได้บุญนี้นะเป็นการยึดติดอะไรพระเจ้าบอกอุทิศไปแต่อย่าคาดหวังเพื่อว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ให้อุทิศไปเขาได้หรือไม่ได้อยู่ในฐานะที่เขาควรจะได้เป็นฐานะของเขาเอง บ า, บางดวงจิตบางดวงที่ละชีวิตไปแล้วมีวิบากกรรมมากและวิบากกรรมนั้นไม่เปิดโอกาสให้ได้รับบุญอุทิศไปและคาดหวังให้เขาได้รับอย่างไรก็ตามยังไงก็รับไปได้ดวงจิตบางดวงเมื่อละชีวิตไปแล้วไม่มีวิบากกรรมเป็นเครื่องปิดกัน้นในเรื่องของการรับสุกุศลดวงจิตนั้นก็รับได้เลยทันทีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่การอุทิศควรจะอุทิศไว้เพื่อ บางจำพวกที่เขาสามารถที่จะรอรับบุญจากเราได้นั้นเขาจะได้รับเลยเลยทันทีโนะพงจึงต่าไว้ว่าบุคคลผู้ผู้อยู่ในฐานะคือผู้ที่ละชีวิตไปแล้วอยู่ในฐานะที่รับบุญอุทิศให้ได้รับแน่นอนยืนยันยังไงก็ได้รับผู้ที่ละชีวิตไปแล้วไม่อยู่ในฐานะอุทิศยังไงก็ไม่ได้รับเพราะไม่อยู่ในฐานะและ้วจะทำยังไงเราก็เลยมีทาบุญเข้าประดับดินกันไงทางอีสานเนี่ย แต่ที่ที่อื่นไม่ค่อยจะเห็นกันนะแต่ที่อีสานจะมีเอาไปวางไว้กับพื้นดินใส่กระทงนะกบกล้วยนะหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอาเลวยแจ้มือแดงข้ายกัอันเดุเออค่ะเอเอค่ะาไม่อยากได้กินห่อไปเราวางนี้เป็นเคาะ ไปอุิค่ะไปานยามว่าเอาวนกางงมายเอออันนั้นเขาเรียกว่าบังสกุลเอาไปบังไปบังในยุคหกใหม่แน่แล้วแต่แล้วแต่เขาสิเหตุอันนั้นเป็นเรื่องของโบราณพอได้ยินยาฟังมาพิษเอาไปให้ผู้ตายอาหารน่ะเอาพระพระ้าะซบพิจรณาบอ่อันใดกวนเอาบว่าเอา พระจะไม่พิจารณาเลยเหลือว่าอะไรควรเอาไม่ควรเอาเขาเคาะกุฏิพระก็ลงมาดูก็เห็นมีจุดเทียนอยู่ตรงนั้น เ, เดินไปดูในมีอะไรตรงนั้นมีเสื้อผ้ามีอาหารการกินต้องรู้แล้วว่าเขาเอามาให้ผู้ตายนะไม่ใช่เอามาให้พระพระยังจะไปเสื้อรับเอาอยู่เลยออห<า>รือว่าหรือว่ามีความประสงค์อยู่แล้วว่า เอ๊ะเขาเอามาให้กูหรือเปล่า่เอ๊ะยังจะคิดคิดสงสัยอยู่แล้วว่าเขาเอามาให้เราหรือเอามาให้ใครใใอยอันอันก้อยเดิกนั่นมันก็มันเป็นการบางสกุลที่เขาศึกษาเรียนรู้มาผิดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเขาเรียนรู้มาผิดเขาก็เลยถือผิดกันอย่างนั้นมันไม่ถูกต้อง เป็นการบังสกุลที่คือคนให้ไม่ได้สื่อากันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ า, ากับเบิด บ, น บ, นบานแล้วเขาสอนกันเบิดบานยังไสอนผิดกระเฮ็ดผิด ก, กันเบิดบานสอนถือกระเฮ็ดถือกันเบิดบานนี่แหละผู้สอนนี่มันเป็นความสำคัญมากผู้สอนนี่คนสอนนี่มีความสำคัญมากหากสอนผิดให้ความรู้ผิดแน่นอนว่าการการะทก็ผิด มันเป็นการกระทแบบโบราณโบราณแต่ไหนไหนมาที่เขายึดถือกันมาแต่โบ ร, โบราณอันนั้นเป็นเรื่องของโบราณเรามาก็เคยอ่านเจอนะเอาไปพาดไว้ที่ต้นไม้กิ่งไม้ตรงที่พระเดินผ่านเพื่อพระจะได้เห็นเอาผ้าไปพาดเอาอาหารไปวางไว้โคนต้นไม้แล้วคิดว่าทําอย่างนี้จะได้อุทิศไปให้ใหญาติเขาเรียกว่าบงสุกุลนะ แต่ถ้าพระไปรับก็เท่ากับพระนี้ไม่ดีรู้อะไรเลยนะถ้าไปรับของอย่างนั้นกลางค่ำกลางคืนใชไม่ได้พระก็ไม่ได้บอกไม่สอนโยมนี่คือความผิดพลาดในเรื่องของการทําตามๆกันมาแต่คนที่ทําก็เข้าใจว่าได้บุญเอาแล้วหลักคําสอนผู้เจ้ามีไม่ให้ทําอย่างนั้นการอุทิศบุญโดยการเอาของไปวางไว้ แล้วให้พระมารับในเวลากลางค่ากลางคืนน่ะในคําสอนมีไหมมันไม่มี <c oughs> มันไม่มีอ่า <c oughs> แต่เขาเชื่ออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของความเชื่อเ <c oughs> ข้าใจนะหวังผลก็หวังผลเข้าใจเนาะต่อไปอย่าหวังผลเนี่ ให้ถืเลขญาต่้เบิหนีนะไม่หนียบอ่ะถาบุญอยาให้เบิหนีอยากให้เบิหนี้พรต้องเอามาทำบุญเอาเงินไปใส่หนี เ, เงิ้นก็ซืเบิรเองถ้าเอาเงินมาทำบุญก็บบไปใส่หนีก็บเบิรแล้วญาติตายแล้วไปกคนานนี้กแล้วได้แว ไเรื่อยๆดเรื่อยๆบมันบดกต้นนั้นตเสียมาท่านไปน เ, น, เน่นสิได้รับอด่ะได้รับว่าบุญน ย, ยังร อ, อาาูแมนบุญยังเป็นของของขอ ง, ของผู้นันเพราะเขาได้อุทิศไว้ให้แล้วยังเป็นของผู้นันอยู่ <c oughs> พ้นจากพี่บากปุ๊บได้รับทันทีะะะนะก็บบ่อไข่บุญพิเศษกว่า พิเศษกว่าทำบุญอะไรไปสวรรค์ชั้นต่างๆโอสวรรค์มีกี่ชั้นฮะนมีอะไรบ้างสวรรค์มีหกชั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเอาคนที่เรียนไตภูมิกระถามาเนี่ย ในภุมพล่วงจ่าตุมสองดาวดึงสามยามาสี่ดุสิตห้านิมาาตีหกปรณิมมิตะสวัสดีหกชั้นใช่ไหมันมีหกชั้นไม่มีชั้นที่เจ็ดเหรอชั้นที่แปดก็ไม่มีนะมีหกหกอากาศเทวดาก็อยู่ในจาตุมภูมิเทวดาก็อยู่ในจาตุม เวลาหกเทพก็อยู่ในจาตุมนับตั้งแต่จาตุมขึ้นไปคือชั้นชั้นแรกทําความดีอะไรถึงได้ไปเกิดเป็นชั้นจารุมอยู่ในชั้นจาตุมเอา้าพวกเราทําความดีอะไรถึงได้เกิดไปไปสู่สวรรค์ชั้นแรกทําบุญอะไรไอย่าลืมนะว่าสวรรค์มีมาก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นแต่สด้ว่าเขาต้องทําบุญที่ไม่ใช่พุทธศาสนามาก่อนหน้านี้ แล้วไปเกิดอยู่บนสวรรค์ได้นะจิตดีเขาก็ให้ทานให้ทานรักษาศีลศีลก็มีมาก่อนพระพุทธศาสนาแต่ความหมายของการรักษาต่างกันการให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยทำคุณงามความดีพุทธเจ้าจะบอกว่าอาศาสดาบางเหล่าที่สอนเรื่องกรรมสอนเรื่องผลของกรรมว่ากรรมให้ผลมีจริง พบหน้าชาแนลมีจริงศาสดานั้นย่อมพาหมู่ชนให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นต่างๆบ้างนะตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นที่6ศาสดาสอนมนุษย์ทั้งหลายที่เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้จึงพาการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างทําสมาธิบ้างอย่างเงี้ยเจริญภาวนาบ้างแต่การจเจริญภาวนาของเขานั้นเป็นการจเจริญภาวนาที่ยังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเป็นการภาวนาอยู่ในชั้นของคุณงามความดีเป็นบุญอยู่ ที่อำนวยผลในชั้นของสวรรค์ทานให้ผลในสวรรค์ได้ศีลก็ให้ผลในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปอีกได้ศีลที่เข้มข้นคือศีล8ดก็ได้สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปอีกตามลําดับคือสวรรค์จะเพิ่มพูนเป็นชั้นที่สูงขึ้นนั้ น, นะจะเพิ่มได้โดยการกระทําที่เป็นอาจินให้ทานเพียงแค่ครั้งสองครั้งอาจจะยังไม่ไปสู่สวรรค์แต่ให้ทานอยู่บ่อย สละความตานีในจิตตัวเองอยู่บ่อยๆก็ไปสู่สวรรค์ได้าจาตุมเป็นสวรรค์ชั้นแรกก็มีตัวอย่างที่พโมกขลานาไปถามเทวราอยู่บนสวรรค์ไปทําบุญอะไรามาถึงมาเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นชาตุมนี้มีเ ท, ทิดานางนึงก็ตอบกับพโมกขลานะว่าข้าพระเจ้าเอาดอกบัวไปบูชาพระาธาตุของพระสมาสมาสามภูริเจ้าแต่ยังไปบูชาไปไม่ถึงตายก่อนในระหว่างทาง เมื่อตายแล้วก็ด้วยจิตที่โน้มใจไปบูชาพระธาตของพุทธเจ้านั้นจึงได้บังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุม่มเนี่ยคือง่ายๆเลยบูชาในสิ่งที่ควรบูชาได้ไปสู่สวรรค์แล้วคือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาตุ่มนะ่เบื้องต้นทีนี้ประวัติความเป็นมาของสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเนื่องจากว่ า, ามีโยมคนหนึ่งมีค้ารหัดคนหนึ่งนำว่ามคคะ มะฆะนี้เป็นผู้ชักชวนเพื่อนทั้งหลาย33คนปรับพื้นที่ในถนนตรงไหนมีหลุมมีบอ่อไปกลบให้มันราบเรียบปลูกต้นไม้ระหว่างทางสร้างศาลาที่พักสำหรับคนจรไปมาทำสวนอะไรเขาเรียกว่าสวนอะไรสวนยอมอทำสวนยอมขุดบอ่อน้ำให้คนต้องตีที่ต้องการน้าทาอย่างเนี้ย ตลอดสิ้นชีวิตไปบองเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหมายถึงว่าทำความดีในชั้นในระดับของสาธารณะอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นยามาคือสวรรค์ชั้นที่ทำความดีในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือการรักษาศีลชั้นดุสิตเป็นชั้นของบุคคลผู้บําเพ็ญบารมีจำพวกโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ในชั้นดุสิตนิมมาราตตี เป็นสวรรค์ชั้นของบุคคลผู้ที่ชอบสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นสนาธารณประโยชน์โดยเฉพาะถาวจวัตถุในที่ต่างๆจะไปยสู่สวรรค์ชั้นนิ ม, มานานตีปรนิมิตะสวัสดีคือคนที่ให้ทานในระดับเป็นอาจินคือระดับสูงระดับที่เรียกว่าเข้มข้นในชั้นของทานและมีมีทา น, ม, ทานมีทานเข้มข้นมีศีลเข้มข้นมีสมาธิบ้าง อยู่ในจิตก็ไปสู่สวรรค์ชั้นประมิ ม, ม, ม, มิตะสวัสดีชั้นที่6นี่นคือลำดับสวรรค์จากการทำบุญงามพอดีหรือทำบุญ mm hmm. ถามว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นคืออะไรครับจิตผู้รู้ผู้ตื่น mm hmm. จะให้พูดในแง่ไหน จิตพูรู้พูตื่นนี้ตอนนี้จิตของเรานี่ตื่นหรื อ, อยังจิตเราตื่นหรื อ, อยังตื่นบ้างตื่นในความหมายของพุทธเจ้าคือยังไงตื่นจากความหลงงมไงใช่ไหมตื่นจากความมืดบอดตื่นออกจากความไม่รู้เนี่ยคือตื่น หากมีความไม่รู้ในจิตเท่ากับว่าเรายังหลับไหลอยู่เราไม่ได้เป็นผู้ตื่นไหลไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสวตะไหลไปตามสิ่งที่จะชักจูงชักนําจิตเราไปนี่คือไหลไปบุคคลผู้รู้แล้วตื่นหลงจากความงมงายแล้วจะไม่ถูกกระแสของโลกชักจูงไปชักพาไปการรู้ตื่นนั้นทําให้เป็นผู้กระทําสิ่งต่างๆ ถูกต้องตามเหตุและผลไม่กระทาไปตามกระแสของโลกแม้จะมีกระแสของโลกชักจูงชักชวนชักนำจิตใจให้หลงพลอยตามไปก็อาศัยอำนาจแห่งความรู้ที่บังเกิดขึ้นในจิตเป็นผู้ตื่นรู้แล้วนี่เองไม่ไหลไปตามกระแสของโลกเนี่ยเนียคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นแล้วจิตผู้รู้ผู้ตื่นนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในสีระดับเท่านั้นคือระดับความเป็นโสดาบันรู้ตื่นหลงงมงาย ตื่นจากความหลงงมงายในการยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเองอย่างเงี้ยในอัตานุติในสักายทิฐิเข้าใจว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายพระโสดาบันจะตื่นรู้ไม่งมงายยึดถือในกายของตัวเองอีกตลอดอนันตการตลอดสิ้นชีวิตไม่หลงยึดถือในกายอีกไม่ได้เห็นว่ากายเป็นตัวเองไม่ได้เห็นว่าตัวเองมีในกายเห็นกายเป็นกายเห็นกายเป็นก็เป็นเรื่องของ ธาสีดินน้ำไฟลมหรือเป็นสภาพแห่งกายมันจะเป็นอะไรก็ตามมันก็แค่ลูกรูปประขัน ส, สิ่งที่ประกอบการรวมตัวกันขึ้นตัวนี้กายเรียกว่าที่ประชุมลงของสิ่งต่างๆประกอบกันขึ้นมาประชุมลงของผมขนเล็บฟันดังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดเสีใหญ่เสียน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเป็นที่ประชุมที่รวมตัวกันเรียกว่ากายไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเองเป็นของของตนเองตื่นรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่งมงายในกาย การยึดถือว่ากลายเป็นตัวเองยังงมงายอยู่ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นอย่างอื่นนี่งมงายมากๆเพราะหากยังยึดในตัวเองก็ถือว่างมงายในระดับหนึ่งพระโสดาบันทำลายความงมงายนี้ได้ตื่นรู้ขึ้นมาแต่ยังงมงายในอารมณ์อารมณ์ที่มันฝังลากลึกเป็นกิเลสชั้นละเอียดคือกามรารคะปฏิคะพระสกาทาคามีก็ตื่นจากความงม ง, งายในอารมณ์เหล่านี้ ไม่หลงในกามแต่ก็ทําได้แบบเบาบางตื่นขึ้นมาแบบเบาบางคือไม่หลงไปตามอาการของอากามราคะปฏิฆะมากพระอนาคามีตื่นจากอารมณ์แห่งกามราคะปฏิฆะนี้ได้เด็ดขาดหมายถึงว่าไม่มีอารมณ์เหล่านี้สืบต่อในจิตนะเกิดแต่ไม่สืบต่อคำว่าสืบต่อหมายถึงว่ามันนอนเนื่องและฝังแน่นอยู่ในจิตอย่างเก่าๆนั้นไม่มีแต่เกิดเกิดขึ้นมาให้รับรู้รับรู้ก็แล้วก็ดับไป แค่นั้นเองนั่นคือพระอนาคามีจะไม่มีฝังแน่นอยู่ในจิตแต่ยังหลงงมงายอยู่ในจิตเป็นอัตานุทิฏฐิเห็นว่าจิตเป็นตนมีอยู่การที่เห็นว่าเป็นจิตเป็นตนนี้เองพระอนาคามีจึงต้องไปบังเกิดอยู่ในพภมโลกชั้นอวิหาอาตตปาสุทัศสาสุทัสศสีอากานิฐาเราไม่เข้าใจก็เรียนรู้แล้วก็ฟังฟังไว้ให้ผ่านหูเพื่อวันข้างหน้าจะได้เกิดความรู้และจะนึกถึงตรงนี้ได้ ตรงนี้อาจจะยังไม่เป็นความรู้เพื่อที่จะเอาเราเอาไปใช้แต่ก็ให้เข้าใจว่าพระอนาคามีก็ยังเกิดอยู่ในชั้นผมแต่ไม่เกิดอยู่ในโลกมนุษย์พอตื่นรู้แล้วในโลกมนุษย์รู้แจ้งแล้วว่าโลกนี้คืออะไรไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งพวงในโลกนี้แต่ยังยึดถือจิตก็จึงต้องไปเกิดอยู่พรห ม, มโลกเมื่อพระอระหันต์คือผู้ที่ตื่นรู้จากจิตแล้วหมายถึงว่าไม่หลงงมงายในจิตแม้แต่ตัวจิตนี้ก็ไม่มีใช่ตัวตนของท่านจิตไม่ใช่ตัวตนของท่าน ท่านก็ไม่ใช่เป็นจิตจิตกับท่านก็ไม่ใช่เป็นในเดียวกันพระอาหารหันต์สามารถสลัดจิตดวงนี้ออกให้เป็นจิตตามธรรมชาติแห่งจิตไม่ยึดถือจิตแม้แต่สักขณะจิตหนึ่งเนี่ยเข้าใจในสภาพแห่งความเป็นจิตที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับสลายไปตามอาการแห่งการเกิดการดับโดยกฎทางธรรมชาติอันนี้คือผู้ที่ตื่นรู้ในสิ่งทั้งปวงคือทุกสรรพสิ่ง ไม่มีความหลงผิดในที่ใดๆจิตที่ตื่นรู้นี้จะต้องรู้จักอริยสัจสีในสีระดับอริยรสัจสีในชั้นโสดาบันอริยรสัจสีในชั้นสกทาคามีอนาคามีและอรหรันอริยรสัจสีอันจะเป็นเครื่องทําให้จิตตื่นรู้นในชั้นโสดาบันนั้นจิตจะต้องรู้อริยสัจสีในกายเห็นทุกข์ในกายเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เป็นไปในกายเห็นความดับทุกข์ที่ดับไปในกายเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ที่เป็นไปในกายเนี่ยพิจารณาอยู่ในกายนี้เท่านั้นการพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์อีกย้ำๆซ้ำๆเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ในกายอีกย้ำๆซ้ำ ๆ, ๆ, ๆ, ๆห เ, ห, เ, ห, เ, ห, ห, เห็นความดับไปของทุกข์ในกายอยู่ย้ำๆซ้ำๆเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าการพิจารณาเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์ในกายอย่างนี้ย้ำๆซ้ำๆ ม, ม, ม, มันจะทําให้เราตื่นรู้และไม่หลงงมงายในกายอย่างเงี้ยเพราะกายมีทุกข์ เราก็จะมียึดแต่ถ้าเราเห็นว่ากายมีสุขเราก็จะยึดเราก็จะงมงายต่อไปคุย<ม>เจ้าจึงสอนให้เรารู้อริยสัจในกายนี่คือระดับหนึ่งระดับที่สองคือสการาคามีเห็นอริยสัจในอารมณ์อารมณ์ที่เป็นกามกับปฏิฆะคือพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจยินดียินไล่อะไรประเภทเนี้ว่าอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นทุกข์เนี่ยก็เห็นทุกข์ในอารมณ์ก็จนทําให้เบาบางพระอารหันต์เห็นจิต ทีเนี้ยจิตที่ประกอบด้วยรูปราคาอรูปราคาอุทธจักมานะอวิชาจิตเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบเข้าของสังโยชน์ในรูปในอารูปในอุทธจักรความฟังซันแล้วก็มานะหรือตนในอริชาความไม่รู้สลัดจิตได้บทรูปราคาอรูปราคาอุทธจักรมานะอริชาที่ยึดอยู่กับจิตที่ฝังแน่นอยู่กับจิตก็ถูกสลัดออกพร้อมวางจิตได้ก็วางสังโยชน์ได้วางสังโยชน์ได้ก็วางกิเลสทั้งพวงได้ดับสนิทปรินิพาน ในพบนั้นชาตินั้นสิ้นอาสวะหากยึดถือจิตก็ต้องยึดถือรูปลักษณ์อาูปลักษณ์อุทธจฉามานตอวิชชาไว้ภายในตนเองเหมือนกับถือมะม่วงก็ได้เม็ดมะม่วงมาด้วยทิ้งเม็ดมะม่วงทิ้งมะม่วงกับทิ้งเม็ดทิ้งไม่นําไปสู่การเกิดอีกไม่ยึดถืออะไรในสิ่งทั้งปวงอันนี้ก็เป็นลําดับในจิตของผู้รู้ผู้ตืน่นเป็นจิตที่รู้อริยสัจเห็นทุกในจิต เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ในจิตว่ามีเหตุให้เกิดทุกข์ในจิต5ประการรูปราฆาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อรูปราคฆาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มานะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บุธจารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อวิชาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตจะเป็นจิตระดับไหนก็ตามมีอวิชชาครอบงำทั้งสิ้นจิตพระอรหันต์ไม่มีอวิชชา เพราะรู้จิตยอย่างสิ้นเชิงแล้วอวิชชาในจิตไม่มีมีแต่ระบบของจิตที่เป็นไปอัตตาในจิตจึงถูกทำลายตัวของจิตจึงไม่สามารถที่จะก่อเกิดเป็นภพใหม่ชาติใหม่ได้นี่คือการดับในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรินิพาน <c oughs> ถามว่าทำอย่างไรไปพรห ม, มโลก ทางรูปประพรมกับอรูปประพรมมีอะไรครับโถามทางไปพร ม, มาโลกนี้จะทำได้หรือเปล่าน้อเนี่ยไปพร ม, มโลกเนี่ยพรมาโลกมันจะมีพรมบุตุชนกับพรมอริยเจ้าพมบุตชนก็สิบเอ็ดชั้นทางรูปประพมอรูปพรมรูปประพรมคือพวกที่เพ่งรูปประชานอารูปพรมคือเพ่งรู ป, ปรอรูปชานโอ้เรื่องนี้มันไกลตัวนะเนี่ยแต่ว่าไกลตัวมันก็ไม่ไกล ก็อยู่ใกล้ๆพ่อเราเห็นรูปกันอยู่เห็นรูปคือเห็นกันและกันเรียกว่าเห็นรูปเห็นเนี่ยต้นไม้รถลาทรัพย์สินเข้าของเงินทองเสือสตา์เห็นสิ่งที่ตั้งอยู่นี่เห็นรูปเห็นกันและกันเขาเรียกว่าเห็นรูปเมื่อเห็นก็เพ่งไปในรูปเพ่งอะไรเพ่งสิ่งที่ชอบกับเพ่งสิ่งที่ไม่ชอบรูปนี้ชอบใจรูปนี้ไม่ชอบใจเนี่ยเพ่งเพ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรส การเพ่งเนี่ยหากเพ่งมากๆเพ่งจดจอเพ่งอยู่เรื่อยๆเพ่งอยู่เป็นประจำหากการเพ่งนั้นเป็นกุศลจิตก็นําไปสู่พรหมโลกได้หากเรวะตายในขณะที่เพ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะใกล้ๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าการเพ่งของเรามันอ่อนจึงไม่ไปถึงชั้นของพรหมโลกอยู่ในชั้นของสวรรค์หากเพ่งในเรื่องของบุญกุศลเช่นมาวัดมาวายอย่างเงี้ยเพ่งในศาลาวัดเพ่งใน ข้อทำต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปรูปประมแต่การเพ่งนั้นมันอ่อนกําลังอ่อนได้แค่ชั้นสวรรค์ในชั้นกุศลจิตารูปคือเพง่งเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปคือเพ่งอะไรเพ่งอารมณ์อารมณ์นั้นไม่ใช่รูปเป็นอารูปมีอะไรบ้างอารมณ์อารมณ์มก็ที่ที่ที่เป็นอารูปคืออะไรมีมีความว่างใช่ไหมอากาศอากาศสารนัญใจ ย, ยตนะ วิญญาณัญญาญะอาคินัญญาญะเนวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้เราเพ่งไปไม่ค่อยจะถึงแต่มันจะเกิดกับบุคคลผู้พิจารณาอยู่บ่อยๆผู้พิีรณากายอยู่บ่อยๆพี่นากายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเมื่อพิี่ณาอยู่บ่อยครั้งบ่อยครั้งจิตมันจะทะลุออกไปเห็นความว่างคือเป็นสภาพอากาศธาตุความเป็นช่องว่างจิตจะโปร่งโล่งและเพ่งอยู่ในความว่างนั้นเพ่งอยู่บ่อยๆเพ่งอยู่เป็นประจําไปเบืองเกิดภพภว โ, โลก ไม่ได้น้อมไปในอริยมรรคถ้าเป็นน้อมไปอริยมรรคต้องมองเห็นความว่างเป็นทุกข์ขัดจักด้วยมันถึงจะไปสู่อริยมรรคแต่ถ้าเพ่งอย่างเดียวก็ไปเกิดพภโมโลขันนั่นคืออรูปนะคืออธิบายง่ายๆอย่างนี้แต่ในแบบมันมีอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องของพวกทำกระสินอันเนี้ยแต่มีพูดถึงอะเรื่องทำกระสินถามว่าระดับการบรรลุธรรมของพระอริยะแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันมาก ไม่เหมือนกันพระโสดาบันบรรลุรรมด้วยอริยสัจแบบโสดาบันเป็นอริยสัจในชั้นของการพินากายจริงๆก็พิพจารณาเวทานาด้วยนั่นแหละสัญญาด้วยนั่นแหละสังขารด้วยนั่นแหละบิณ ญ, ญาณด้วยนั่นแหละแต่พิจาณาเพื่อทําลายสักกายทิฏฐิคือพินาความเห็นผิดในกายการบรรลุของท่านจึงมีกําลังทําลายสักกายทิฏฐิเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่สามารถทำลายสังโยชน์เบื้องบนได้ได้แค่เบื้อ ง, องล่างจะพิจารณาระดับไหนก็ตามมันต้องเข้าไปทําลายสังโยชน์เบื้องต่ำก่อนคือความเห็นผิดในกายคือการบรรลุคือโสดะบันคือทุกพระอริยเจ้าทุกองค์ต้องบรรลุไปตามลําดับตั้งแต่โสระบันขึ้นไปแล้วค่อยขยับเข้าไปสุสากสกทาคามีสากัดทาคามีนี้กัดระดับการบรรลุของท่านเป็นชั้นของการบรรลุอริยสัจ คือรู้อริยสัจและก็รู้นิพพานในขณะเดียวกันนั้นโดยการทำรํทำลายการลายการมราคขปฏติฆะอย่างเบาบางอนาคามีก็ทํำลายการมราคขปาติฆะอย่างเด็ดขาดอราหันต์ก็ทำลายสังโยชนเบื้องบนนะที่อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนี่คือระดับการบรรลุที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่แบ่งเป็น2ระดับระดับเบื้องต้นพโสดาบันสัการนาคามีและอนาคามีนั้น เรียกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมเพื่อทำลายสักกายทิฐินะทำลายสักกายทิฏฐิพระอรหันต์ทำลายอัตานุทิฏฐิแบ่งเป็นสองอย่างทิฐิสองอย่างคือความเห็นผู้ง่าทำลายความเห็นนั่นเองทำลายความเห็นผิดเราไม่ได้ไปทำลายกิเลสตัวไหนนะเราไม่ได้ไปทำลายความโลภความโปวดความหลงความโลภความโปวดความหลงมีอยู่ก็ให้มันมีอยู่กับพวกเรานี่ยนะแต่อย่าเอาความโลภความโปวดความหลงไปสร้างบาปไปสร้างโทษ แต่มันมีมันก็ต้องยอมรับว่ามันมีเพียงแต่ว่าเราอย่าเอาไปก้าวล่วงในอกุศลหรือถ้าก้าวล่วงในอกุศลบ้างก็สองวนในภายหลังเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโทษติดตามมาสองสอวันคือรักษาศีลบ้างาทำสมาธิบ้างภาวนาบ้างมันก็จะ ก, กั้นการสืบต่อในการให้ผลกับเราก็คืออะไระเขาเรียกว่า หากยังไม่สามารถทำลายความเห็นผิดในกายได้แม้จะสงบระงรับความโลภความโกรธความหลงได้ก็ยังไม่สามารถบรรลุทรรได้นะการสงบความโลภความโกรธความหลงได้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของการบรรลุแต่การละความเห็นผิดโพงทรงตัดไว้ชัดเจนเลยว่าบุคคลภูลสัสกายยุทธิทิวิจิกริชาศิลปตาปรามาตเรียกว่าสโสุรบัลคือบรรลุธรรมที่เป็นสุรบาลละเท่านั้นนะละความเห็นผิด ละกามราคัปฏิฆะอย่างเบาบางเรียกว่าสักกาทาคามีเรือบรรลุถึงสกอาทาคามีละกามราคัปฏิฆะได้เด็ดขาดเรียกว่าอนาคามีหรือว่าบรรลุถึงความเป็นอนาคามีคือรากความเห็นละที่ความเห็นแก้ที่ความเห็นปฏิบัติที่ความเห็นดับก็ดับที่ความเห็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์ได้คือความเห็นผิดความเห็นผิดจึงเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงหากมีความเห็นถูก ทุกก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีที่ตั้งอยู่กิเลสแม้จะมีอยู่ก็ตามแต่ทุกไม่ไม่ตั้งอยู่เมื่อทุกไม่ตั้งอยู่กิเลสที่จะคอยอิงอาศัยทุกเกิดอ่ะเพราะมีทุกกิเลสก็ต้องเกิดมาพร้อมกับทุกนะมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมมีทุกที่ไหนจะมีเหตุให้เกิดเหตุก็คือพวกกิเลสทั้งหลายที่ยพยายามยุให้เรามีความทุกคือยุแย่ให้เราไปร่วมผสมรวมกับความทุกที่เกิดขึ้นให้เป็นเป็นเดียวไปเป็นอันเดียวกันกับความทุกขแล้วเราก็ยึดทุกทั้งก้อนนั้นไหมเป็น ของตัวเราว่าเราทุกข์เรามีทุกข์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทุกข์กับความทุกข์ชนิดนั้นนก็คิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ทุกข์ก็เพียรไม่รู้จักการวางเพราะฉะนั้นหากอยากจะรู้ธรรมต้องรู้ทุกข์ก่อนว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเราจะได้ยอมรับทุกข์แล้วก็ได้ละเหตุให้ถูกต้องอยู่ที่ความเห็นนะเห็นผิดเมื่อไหร่ทุกข์เกิดขึ้นมานั้นแต่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมดานั้นอะ ไม่ต้องไปแก้ปล่อยให้มันเกิดตามธรมรมดาของมันมถามว่ามีสองคำถามเกี่ยวกับยานยานคืออะไรและยานมีกี่ประเภทยานนี้คือญาญาเนาะภาษาบาลีนะยอผู้หญิงสระอานอเนนอ่านว่าญาเนาะในภาษาบาลีภาษาอินเดียญาเนาะ เรียกว่ายานแต่ว oh! ่าการรู้ตามความเป็นจริงตัวนี้ยการรู้ตามความเป็นจริงชื่อว่ายานรู้ในทางพุทธศาสนามีกี่รู้ตอบไม่ได้รู้ในทางพระพุทธศาสนามีกี่รู้เนี่ยคนเรียนธรรมเนี่ยต้องถามคนเรียนธรรม ไม่ความรู้รู้ในทางคําว่ารู้ในทางพระพุทธศาสนามีกี่อันมีกี่อยา่างอันที่เรียกว่ารู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความตัวทุกอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรความรู้ในอะไรเนาะก็ว่ายกันไปเนาะเคยขึ้นกระดานสอนแล้วก็ยังคงคงจะลืมอะไร <c oughs> เข้าใจอยู่นะ <c oughs> ความทรงจําระดับพวกเรามันลืมกันได้ ไม่เป็นปัญหาหรอกไม่เป็นความผิดหรอกมันลืมได้แต่อย่าให้สับสนลืมยังไงก็ตามแต่อย่าสับสนฟังนะรู้ในพุทธศาสนาหนึงรู้ด้วยวิญญาณรู้แบบไหนรู้ด้วยวิญญาณมีสิ่งผ่านเข้ามาให้รู้จึงรู้เช่นมีสิ่งผ่านเข้ามาทางตาจึงเห็นมีสิ่งผ่านเข้ามาทางหูจึงได้ยิน รู้ในสิ่งที่เห็นรู้ในเสียงที่ไ wow ด้ย wow ินร sure ู้ในกลิ่นที่กระทบรู้ในลิ้นที่สัมผัสกับรสชาติรู้ในสิ่งที่กระทบกับกายและรู้อารมณ์ที่ปรากฏกับใจรู้อันนี้เรียกว่ารู้แบบวิญญาณอันนี้รู้แบบวิญญาณนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยสัญชาตญาณคือรู้ด้วยความธรรมชาติที่เป็นการรับรู้ทางอายตนะนะอันนี้คือรู้แบบวิญญาณรู้แบบวิชาคือเรียนรู้ เราไม่รู้ในอะไรล้วก็ไปเรียนรู้ในอันนั้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้การรู้แบบวิชานี้จึงเป็นความรู้แบบ 1. ศึกษาเรียนรู้ 2. ฝึกฝนล้วรู้ 3. เข้าใจล้วรู้อันนี้คือวิชารู้แบบสติคือระลึกรู้ไม่เหมือนกันนะแต่ละอันไม่เหมือนกันนะตอนรู้แต่ละอันไม่เหมือนกันรู้แบบสติคือระลึกรู้ระลึกรู้อยู่ว่า ขณะนี้กายเราตั้งอยู่อย่างไรและเมื่อเรารู้ว่าขณะนี้กายเราอยู่อย่างไรเรานั่งอยู่เวทนาปรากฏกับกายเป็นเวทนาอะไรสุขทุกข์หรือไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกข์ตอนนี้ระลึกรู้มันเวลาบอกว่าทุกข์ <c oughs> ทุกขเวทนาปวดแข้งปวดขาเขาว่ากันไปเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นรละลึกรละลึกรู้ไปอีกว่าจิตเราเป็นยังไงกระสับกระสายหรือเปล่าฟุ้งซ่านหรือเปล่า ฉเฉียวหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจแล้วลึกรู้เข้าไปอีกนี่คือระดับของสติแค่นั้นยังไม่พอต้องระลึกรู้อีกว่าขณะจิตที่ประกอบไปด้วยอารมณ์นั่นเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆนะเห็นไหมนี่คือระดับของสตินะคือรู้แบบสติแล้วก็รู้อีกอันนึงคือรู้แบบปัญญาปัญญาคือรู้แบบไหน ปัญญาลูแบบไหนพี่แบบพิจารณาปัญญาคือการพิจารณาไขควรรู้ให้ทั่วถึงรู้ให้รอบรู้ในกองสังขารคือปัญญาการรู้ในกองสังขารทั้งปวงเรียกว่าปัญญานะกับรู้อีกอันนึงเรียกว่ายานเนี่ยเขาถามมายานเนี่ยคืออะไรยานนี้คือการรู้ตามความเป็นจริงใช้ในอะไรบ้างใช้ในการรู้ในเรื่องของเรื่สัตว์นะรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์อันนี้ต้องใช้ยานในการรู้ เป็นการยานอย่างทราบตามพรเป็นจริงหมายถึงว่าความจริงมันกําหนดไว้ว่าต้องทุกข์เมื่อความจริงกําหนดไว้ว่าต้องทุกข์เวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องแสดงว่าเป็นการเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจึงหลงอาการแห่งความทุกข์ที่เกิดกับเราเราไม่ยอมรับ ว, ว่าเป็นจริงเราจะพยายามบิดเบือนความจริงที่เกิดกับเราไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เท at ่ากับว่าไปทําให้สัจจะหรือความเป็นจริงเนี่ย เปลี่ยนแปลงการไปเปลี่ยนแปลงความจริงคนนั้นยิ่งจะมีความทุกข์พะมันเปลี่ยนไม่ได้คือความจริงเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ยิ่งไปเปลี่ยนก็ยิ่งจะทุกข์ไปฝืนมันไปปีนเกลียวกับความทุกข์ไม่ได้ครเจ่าจึงบอกว่าให้ใช้ยานคือรู้ตามเป็นจริงว่าอ๋ อ, อมันเป็นจริงของมันอย่างนี้ชีวิตมีความทุกข์อย่างนี้มันต้องเกิดทุกข์อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกมาเพราะเหตุอันนี้เมื่อมีเหตุอันนี้จึงก่อให้เกิดทุกข์อันนี้เมื่อก่อให้เกิดทุกข์อันนี้ทุกก็ต้องดดดรงงอออยยู่่เเมืหตุุััันนี้บบทกจจะคลาไป เป็นตามธรมรมดาข่งมันเมื่อเราไม่สร้างเหตุเพิ่มไม่ซ้ำเติมเหตุเข้าไปมันก็จะละไปดับไปละไปดับไปข้างมันตามกระบวนการข้งมันเราไม่สามารถเข้าไปดับได้ถามว่ายานมีกี่ประเภทมันมีหลายประเภทเนาะยานในชั้นที่เป็นวิชาก็มียานในชั้นที่เป็นการรอบอ่ารู้ตับก็เป็นจริงก็มีถ้าเป็นวิปัสสนาญาณก็มีวิปัสสนาญาณเก้า คือวิปสัสสนาญาณในขณะที่ดำเนินเนี่ยมี9ถ้าจะนับนับมรรคขยานที่เป็นโคตรลพูญาณอันโคตรเริ่มผลไปจากอนุโลมญาณก็เป็นโคตรลพูญาณและมรรคขยานและผลขยาน9 10 11 12ได้และก็ญาณในอริยสัจคือกิจญาณกัตยาญสัจญาณญาณในอริยสัจส์4 โดยการกำหนดรู้สประการมียานทั้งสเป็น12ยานยานสามนั่นแหละแต่มันรอบรู้สี่จึงเป็นส2บสองกราเพทเนี้ยเรียกว่ายานถ้าจะนับยานในวิชาก็เป็นเจโตปริยายานอนุบุเบนิวาสานุสติยานจุตูปป า, ปาตายานอภินญญายายนหไปไล่ดูในแบบคนที่ถามก็โอ้ถามดีจังเลย ถามจนคนที่นี่ไม่เข้าใจไม่รู้คืออะไรญาณญา น, านนะแลรู้นอกเนื้อนอกเนื้อกว่า น, นี้มีอีกไหมไม่มีนะมีรู้แบบ ว, วิญญาณรู้แบบวิชารู้แบบสติระลึกรู้รู้แบบปัญญารู้แบบญาณอะไรอีกรู้แบบไหนอีกรู้แบบวิชเนยชราคตญาตันตนาเหตุอายตนาเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณรู้ตามอายตนะคือวิญญาณ เราก็ต้องไปเช็คไล่เราทีเนี่ยเราเข้าถึงระดับไหนความรู้ระดับไหนเอาเอาแห่ระดับสติเนี่ยเราลึกรู้ภายในกายตนเองดูสิขณะนี้เป็นยังไงทำไมมันระลุลึกระลุรู้แล้วได้ประโยชน์อะไรเราจะได้อยู่กับตัวเองเอาเราก็อยู่กับตัวเราอยู่แล้วทําไมจะต้องมาลึกรู้แน่ใจหรือว่าแต่ละวันเราอยู่กับตัวเองลองพี่นาดูดีๆเราไม่ได้อยู่กับตัวเองสักเท่าไหร่เลยนะแต่ละวันนี้พระเจ้าจึงบอกให้เราลึกรู้ภายในตัวเราจะได้อยู่กับตัวเอง เอาล้การอยู่กับตัวเองมันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ตรงที่ทําให้เราไม่ค้อยตามไปในอดีตคือไม่ปล่อยให้จิตค้อยไปในเรื่องของอดีตไม่ปล่อยจิตให้ไปวิตกในเรื่องของอนาคตจะทําให้เรารู้ในขณะปัจจุบันว่าทุกที่เกิดในขณะปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปได้อย่างไรจะทําให้เราเกิดความรู้มันจะพัฒนาไปเป็นยานเนี่ยสติถ้าเราไม่ฝึกสติอย่างนี้จิตเราก็ค้อยไปตามอดีต วิตกไปในอนาคตขาดการรับรู้ในปัจจุบันจะไม่เห็นสภาพธรรมที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่งสมาธิอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชนะ์สาธุในคำตอบถามว่าพระอาจารย์อายุเท่าไหร่สอนดีมากโอ้ <laughs> <laughs> ก็ยังไม่ทันด่าใครก็ยังดีอยู่แต่ถ้าด่าคนก็คงจะยังไม่ดี อายุถามทําไมอายุสิบปีคืออายุการบวชบวชอายุ24ได้สิเจพรรษานี่คืออายุในการเกิดในศาสนานี้อายุ17ปีก่อนที่จะมาเกิดในศาสนานี้เกิดในทางโลกเกิดมาแล้ว24ปีก่อนที่จะมาบวช17บเวกยีเป็นเท่าไหร่ ก็คำนวณกันเอาเองนั่นแหละอายุเนี่ยไปตีเอาเลขอันนี้เสียหายหมดแล้วนะไปตีเอาหวยเอาเลขไงหมดคําถามจากในเพจตอบคาถามในเพจเราก็ได้ฟังเอาคําถามจากพวกเราเลยทีนี้คําถามจากพวกเราดูซิใครจะถามอะไรบ้าง มีไหมไม่มีบอกพอกเรานี่ยกจากกจากัดกามหมดแล้คือคือทุกที่เกิดที่ที่เกิก ด, ก ด, กดจะกดืจะทาให้เราพอเราไม่รับฟังปั๊บมันก็จะอยู่แต่ตรงนั้นเขาจะพูดก็พูดไปเขาโทรศัพท์มาหาเราแล้วเราไม่กดรับจะคุยกับเขาได้ไหม เดี๋มันก็แค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็หยุดไปใช่ไหมเสียงโทรศัพท์น่ะอันนี้เรามัวแต่ไปรับรับรับรับรัเขาบอกเขาเขาบอกยังมากกันรับไปเบิร์ตนะแล้วก็ถูกไปตำเรื่องของเขานะไปรับมาทุกเรื่องที่เขาเบ้าให้แล้วคนที่เบ้าเขาก็บปศุวงเองเขาก็ได้รับความถุกอยู่แล้วนะเฮงสาใจเขากับบอรับหรือก็ว่างไปเสียกับแคเรียบร้อยแต่บรับมันจะตกไปขหาเขาเองคนที่เขาทํำ อย่างแล้วนาพรวถ้ายิ่งเราเต้นไปตามเขาเขาก็ยิ่งเหมือนเขาเจตนาแน้อนะถ้าเราหยุดเขาก็คนพูดเขาก็ประสงค์ให้เราได้รับความทุกข์อยู่แล้วยิ่งเราได้รับความทุกข์มันโอ้โหสะใจกูไอ้นี่นะมันก็จะพยายามสร้างเรื่องให้เราตกอยู่ภายใต้ห่วงแห่องอารมณ์อยู่ไม่เป็นสุข คนที่โกรธเราก็มีเกลียดเราก็มีไม่พอใจเราก็มีเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราจะมัวแต่ถือเอาเรื่องของโลกมาเป็นอารมณ์ทางใจอยู่มันก็ไม่ใช่สาระชีวิตเราจะไม่มีสาระประโยชน์อะไ ร, รเลยพุทธเจ้าทิางวอกเรื่องของโลกมีแต่เรื่องต้องปล่อยต้องปล่อยต้องวางแม้แต่ทั้งความดีก็ยังยึดถือเอาไม่ได้ต้องปล่อยต้องวางความดีเป็นเพียงแค่ปัจจัยที่จะส่งผลให้กับเราเป็นไปในภายภาคหน้าในทางที่ดีเท่านั้น ปัจจัยส่งผลอันนี้ยึดถือก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่ตามโอกาสจะอานวยในระยะเวลาที่เร็วบ้างช้าบ้างไม่เท่ากันในแต่ละคนแม้แต่การปฏิบัติภาวนาเองก็ตามบคคลมาไม่กี่ปีมาศึกษาอยู่กับวตามาไม่กี่ปีก็สามารถรู้เข้าใจในหลักธรรมในศาสนาหายสงสัยในหลักคาสอน หายสงสัยในศาสนาบางคนก็แม่หลายปีแล้วเกินสอนแนลซ้อนอีกย่ำแนลอย่ำอีกกว่าจะรู้จะเข้าใจก็จใช้ระยะเวลานา น, านกว่าจะรู้ก็ไม่เป็นไรมันแต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันการเจริญเติบโตทาง จ, จิตใจเจริญเติบโตตามมูลเหตุแห่งความจริงไม่สามารถที่จะชี้ให้คนนี้บรรลุชี้ให้คนนั้นบรรลุยังไม่ได้พระเจ้าก็ทามไม่ได้ อาตามานี่แล้วใหญ่เลยทำไม่ได้ได้แค่บอกแล้วก็บอกกันสอนกันมาอย่างนี้เอ๊มันหลายปีแล้วนะเนาะพ่อใหเจิดเนี่กี่ปีแล้วสองปีเองเหรอ <c oughs> แบบเอาจิงเอาจังนี่บอก <c oughs> อ๋อตั้งแต่ตั้งนี้นะอ๋ อ, อตอนมาตั้งนี้เ <c oughs> พิ่งจะมาสองปีนี่หลายปี อันนี้ก็ผ่านมาพอรู้เรื่องกันแล้วนี่เงยหน้าเงยตามไม่แต่ก่อนก็หลับหูหลับตาไปตามโลกเขานั่นแหละตอนนี้ก็ลืมหอดืมตาแล้ว ต, ตื่นแล้วตื่นรู้ตื่นรู้ในเรื่องบางเรื่องแล้วไม่หลงไปตามกระแสะของโลกแล้ ว, ลวนี่ก็เริ่มตื่นรู้ขน้อยก็ไปเลยมาหาจาาักรพรรดขน้อยไม่ไปแล้วอ่ะ นี่คือเส้นทางกระแสที่มันตกไปสู่กระแสปุ๊บมันจะไม่หมุนย้อนกลับไม่มีทางหมุนย้อนกลับหากบุคคลผู้ตกกระแสแต่ถ้ายังไม่ตกกระแสก็ยังต้องหมุนย้อนกลับเขาเรียกว่าเป็นอนิจจตัะคือไม่แน่นอนไม่คงที่ศรัทธาที่เป็นอนิจจตัะคือศรัทธาที่ไม่เที่ยงแทจะเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าก็เลยภาษาที่เขาพูดกัน ปลุกเข้าปลุกออกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาอะไรประเภทนี้เรียวกว่าศรัทธาเมื่เตาศรัทธาที่ตกกระแสแล้วเท่านั้นคําว่ากระแสนีส่กระแสอะไรกระแสพระนิพพานก็คือเริ่มตั้งแต่โสดาบันอันนั้นคือจะศรัทธาแบบไม่ครอนแทนเป็นอจฉศรัทธาศรัทธาเป็นนิยตะเที่ยงแท้นแน่นอนที่จะตัดสรุปในเบื้องหน้าหมายถึงว่ากิจจะมุ่งเข้าสู่พระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นตรงเนี้ย ก็เช็คจิตตัวเองเอาเองบางขณะก็เชื่อบางขณะก็ไม่เชื่อหรือเชื่อทุกขณะอยู่แม้แต่นะแปรบางทีก็บอกว่าใช่เล้อพระอาจารย์สอนทำข้อนี้ไม่น่าจะใช่มั่งสัญญาขันไม่ใช่ความจริงได้ยังไงก็ยังยังขานอยู่จนไปประจักษ์ชัดกับตัวเองโอมันใช่เนี่นีน่นคือศรัทธาแบบใช่คือประจักษ์ชัดแล้วจึงใช่คือเห็นแจ้งด้วยตัวเองอะ จะถึงจะเรียกว่าใช่แต่หากยังไม่เห็นแจ้งด้วยตัวเองมันก็ยังอยู่ในความเครือบแคลงเชื่ออยู่แต่ว่าไม่ได้เชื่อเต็มร้อยนะเชื่อแต่ยังไม่เต็มร้อยค ว, ความจริงเท่านั้นจริงจะเป็นความเชื่อที่เต็มร้อยผู้เย้าก็ตัดสอนอย่างนี้เหมือนกันว่าคนที่ศรัทธาเรื่อมใสศรัทธาพศหากกิยังไม่กล้าเข้าถึงความจริงที่ประจักษ์ชัดด้วยตัวเองเขาก็ได้ความเชื่อในชั้นฮงโลกิยะความเชื่อนี้ดีไหมดีก็ทําให้เขาเป็นไปในวัตฏะที่ดี แต่เมื่อเสื่อมลงเมื่ อ, อไรเขาก็ตกไปสู่ห่วงของอะไรทางที่มันไม่ดีตามอัธยาศัยของจิต ด, ดั้งเดิมเนี่ยอัธยาศัยของจิตของคนไม่คงที่เดี๋ยวก็หน่วงเหนียวอารมณ์ที่ดีเดี๋ยวก็หน่วงเหนียวอารมณ์ที่ไม่ดีในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันไม่คงที่หรอกเราจะให้จิตเราดีคงที่ตลอดทั้งวัน่ะมันทําไม่ได้ผู้หญิงจึงให้ยอมรับกฎเกณฑ์ข้อนี้ว่าเราทําไม่ได้เมื่อเราทําไม่ได้เราควรจะมีสติ เมื่อเราเจออารมณ์ที่ไมดีจึงจะต้องตั้งสติขึ้นมารับรู้อารมณ์นั้นว่าอ๋อมันมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างนี้เจออารมณ์ที่ดีก็ให้รับรู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างนี้ทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นสัมผัสกับจิตตั้งอยู่แล้วกระดับไปเราไม่สามารถยึดถืออะไรได้เลยทั้งดีและไม่ดีจิตก็อยู่เหนือกว่าอารมณ์ไม่อยู่ภายใต้อารมณ์สติก็จะเป็นตัวนาจิตให้ก้าวเข้าไปเห็นอารมณ์อย่างนี้อยู่บ่อยๆเเน่วการรู้และเห็นอารมณ์เกิดดับเเกกิดดดัับบบอออยย่่่ๆรืางีะ มันจะเป็นการสร้างสติสร้างปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็จะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานในทางศาสนาที่วงทรงตัดสอนและบัญญัติไว้นั่นคือคือสาระแก่นสารที่เราจะสามารถเข้าถึงไม่เหลือวิสัยมันมีช่องทางมีหนทางอยู่แล้วสอนนี้ไม่ได้สอนให้แบบรูบๆคำๆคาทางไปแบบคนตาบอด สอนให้รู้ชัดรู้แจ้งรู้ในแต่ละขณะที่เราปฏิบัติกันว่าปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะไม่ได้ให้รูปๆคํำคำไปไม่ได้คำทางไปก็ชี้ให้เห็นแล้วนี่รูปเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงก็เข้าไปรู้ตรงนั้นจับตรงนั้นเลยจับเลย มันจะรู้แจ้งไม่รู้แจ้งเมื่อไหร่เป็นเรื่องของการดําเนินเราก็เดินฝา่าความมืดไปมันจะถึงทางออกที่เป็นแสงสว่างเมื่อไหร่เป็นเรื่องของการเดินเดินถึงเมื่อไหร่ก็จะถึงแสงสว่างเมื่อนั้นเมื่อเดินยืนไม่ถึงยังอยู่ในความมืดแต่เรายังมีความเห็นที่ถูกต้องอยู่พินากายพินาจิตย้ำย้ำอยู่อย่างนี้ยึดถือหลักอย่างนี้ในขณะที่ดําเนินอยู่เป็นไฟฉายสองทางเดินให้กับเรามันต้องถึงสักวันใดวันหนึ่ง ไม่ถึงชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปนี่คือสาระแก่นสารในทางศาสนาไม่ใช่เรื่องของการประกอบแต่อยู่กับพิธีกรรมขนบธรรมเนียมอยู่อันนั้นไม่ใช่สาระแก่นสารไม่ใช่ความดีที่ผู้ดีเจ้าทรงสรรเสริญจบนวันนี้ก็อาศัยเวลาในการอธิบายธรรมะ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 จเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานจเจริญด้วยวรรณะมีผิวพรรณผ่องใสจเจริญด้วยสุขะมีความสุขใจสบายใ จ, จเจริญด้วยพรรมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขอหนุภาพแห่งบุญนี้จงบริสุทธิ์มีหนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตจงบรรดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุนนําชีวิตของพวกเราจงเป็นผู้ก้าวล่วงทุกและเบญไยทั้งปวงจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันาการและอนาคตการเพอ่ โอกาสจะมีเวลากว่ามาก เราทานแบบเรียง